8 5เมกเเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฟันปั้นแรงบันดันใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูวด้ดำเนินรายการวชรินทร์พันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์ คุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่าสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวค่ะดิฉันวัชรินคันธชากลับมานั่งเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังทุกๆเย็นวันอาทิตย์เวลา18บแนาฬิกาจนถึงเวลา19บเนาฬิกาโดยประมาณนะคะเรื่องราวที่จะเก็บเอามาพูดคุยกันในเย็นวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านเราทั้งในต่างประเทศที่ฟังดูแล้ว อาจจะอมยิ้มฟังดูแล้วอาจจะเกิดแรงบันดาลใจนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่อยากจะเอามาเล่าต่อนะคะจากนิสิตจบมาแล้วไปทำงานทำงานแล้วคือมีบ้านเนี่ยอยู่ที่นาห้ลนะคะอยู่ที่นาเฮวอำเภอนาแหล้ลจังหวัดเลยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำข้าวโพดเป็นพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็ แต่ละปีเนี่ยก็จะมีการใช้สารเคมีมีการต้องใกล้ชิดกับสารเคมีแล้วก็มีนี้สินที่เกิดขึ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยเมื่อประมาณปี54 55เนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยให้เป็นจากเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดเลยเนี่ยให้เป็นป่านะคะก็เลยคิด อ, อยากจะเพราะ ปลูกเอาต้นไม้ปา่าต้นไม้ป่าเนี่ยเอาไปปลูกในพื้นที่ตัวเองค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวจากการปลูกข้าวโพดมาเป็นปลูกพืชไร่เล็กๆนะคะเป็นแปลงเล็กๆแล้วก็จัดสรรพื้นที่ในการที่จะปลูกป่าผสมผสานขึ้นเริ่มกันเองทำกันเองจนวันนี้ผ่านไปตั้งแต่ปีห้าสี่จนตอนนี้ก็เกือบ10ปีเนาะตอนนี้ก็เกิดเป็นแนวร่วมให ชุมชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะขยายพื้นที่ป่าชุมชนแล้วก็ในการปลูกป่าชุมชนเนี่ยก็ได้ผลผลิตตอนนี้ปันผลออกมาจนต้องตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจในการที่จะแปลรูปผลผลิตจากป่าชุมชนนี้นะคะเป็นเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลองเลยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย ดิฉันจะต่อสายไปถึงคุณอิ่มนะคะสุปรีรัตสิงรักตอนนี้เนี่ยดํารงตําแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะลองเลยอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยตอนนี้อยู่ในสายกับพวกเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอิ่มคะสวัสดีค่ะค่ะโอ้เสียงยังเด็กอยู่เลยนะคะนี่คือเมื่อกี้กลืนให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปนะคะว่าจากเราเองนั้นจบมาไม่ได้เรียนมาทางด้านกเกษตรด้วยเรียนมาทางด้านการบัญชีมีแนวคิดอย่างไรที่จะ อยากจะพลิกฟื้นจากเขาหัวโล้นให้ให้กลายเป็นป่าขึ้นมาอีกครั้งคะ่ะสักนิดนึงค่ะคุณคุณอิ่มเล่ากอจริงค่ะค่ะก็จริงๆที่ที่คิดว่าอยากจะจริงๆอยากจะให้เหมือนว่าพออิ่มโตขึ้นทําเรียนทํางานแล้วก็พอเวลาทํางานแล้วมองย้อนกลับมาที่ครอบครัวค่ะอิ่มรู้สึกว่า ติ่งรอบตัวอิ่มเปลี่ยนไปภูเขาหัวล้นมันเพิ่มขึ้นต้นไม้ที่อยู่ริมถนนที่อิ่มกลับบ้านเนี่ยมันเป็นเป็นต้นไม้เป็นเสาเป็นป้ายโฆษณายี่ห้อสารเคมียี่ห้อเมเล็ดพันแล้วก็รถไถที่เคยอยู่ข้างล่างมันไถขึ้นไปบนยอดเขาสูงขึ้นได้เรื่อยๆแล้วก็น้ำที่อยู่ริมลอยู่ในลำธารอยู่ริมถนนที่อิ่มกลับบ้านเนี่ย มันแห้งลงเรื่อยๆจนแบบบางจุดมันไม่มีน้าาําอะค่ะแล้วก็จนแม่กระทั่งอิ่มกลับบ้านแล้วแม่บอกว่าห้ามห้ามห้ามใส่รองเท้าแตะเดินเข้าไร่เข้าสวนต้องใส่รองเท้าบูตต้องแต่งตัวมิดชิดนะคะมันก็เลยทําให้อิ่มมองย้อนกลับมาว่าทําไมพ่อแม่อิ่มถึงต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แล้วนี่มันบ้านเราเนหนใช่ค่ะนี่มันบ้านเรานี่มันไร่เลือกสวนไล่นาของเราที่ตอนเด็กๆ เ, เรา ใส่ใส่รองเท้าก็ได้ไม่ใส่รองเท้าก็ได้ใส่กางเกงค่ะสั้นไปวิ่งเล่นเล่นโคลนเล่นน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าตอนเด็กเด็กเราทําแบบนั้นได้แต่พอเราโตขึ้นมาแล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยคิดว่ากังวลเรื่องสุขภาพของครอบครัวแล้วก็ลุงป้าน้าอาแล้วก็คิดว่าจะทํายังไงที่ภูเขาหัวล้นที่เป็นไร่ข้าโพดของเรามันจะเป็นภูเขาต้นไม้แล้วพ่อกับแม่ก็ จะลดใช้สารเคมีลงเรื่อยๆจนสักวันหนึ่งสามารถที่จะเลิกใช้สารเคมีได้<ม>แล้วเราจะกลับมาวิ่งเล่นในไร่ด้วยรองเท้าแตะหรือไม่ใส่รองเท้าได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่คิดนี่คือคิดแค่เริ่มจากไร่เราก่อนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วไปหาข้อมูลอะไรยังไงเราไม่ได้เรียนทางด้านการเกษตรมาด้วยเราจะไปขอความช่วยเหลื อ, อยังไงเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี54ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแต่ก็ตอนนั้นก็หารมากค่ะก็หาข้อมูลใน Google กับ y o youtube ประลามอามจารย์<ล>ของ<ล>เราใช่เราพี่พี่เว็บเกษตรพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาข้อมูลอะไรยังไงบ้างคะที่ที่เข้าไปหาตอนนั้นก็หาข้อมูลต้นไม้หรือว่าพูดพืชขอโทษทีพืชหรืออะไรก็ตามมา่ะที่ที่ปลูกแล้ว พอกับแม่เราจะอยู่ได้เราไม่ต้องใช้สารเคมีเยอะแล้วก็มีตังใช้นี่มีตังใช้ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ดูหนึ่งไร่หนึ่งแสนหนึ่งไร่หนึ่งล้านหนึ่งไร่สามแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ, อะไรก็ดูดข้อมู ล, เ, ลเป็นข้อมูลเข้ามาเพราะว่าเราเองเราก็ก็ก็ทําเกษตรไม่เป็นหลักถ้าถ้าพูดกันง่ายงนะคะค่ะข้อมูลที่ได้ก็ทําให้เราไปเข้าถึงกับเมล็ดพันธุ์ ที่เป็นไม้ยืนต้นไม้ป่าต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็อตอนข้อมูลที่ได้จริงๆแล้วได้ข้อมูลที่เป็น ทีพ่อหลวงราชการที่กสอนนะคะเรื่องกเกษตรผสมผสานกเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เห็นพ่อพ่ อ, พอแม่แมๆ่ที่เป็นป่าอยู่ในแต่ละจังหวัดเยอะมากแล้วแล้วทุกคนที่ได้ผ่านออกสื่อที่เราเห็นตอนเราศึกษาตอนนั้นนะคะทุกคนดูมีความสุขมากอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เอากลับมาคุยกับพ่อแล้วพ่อก็เห็นด้วยเพราะว่าพ่อก็อยากทําอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้ว่าจะทจะําได้ยังไงไแเราจะ ใช่ค่ ะ, คะแล้วก็จะเอาตังไงใช้นี่ <c oughs> ในระหว่างที่ปรับเปลี่ยนก็คือมีการเพราะเมะเล็ดของไม้ไม้ยืนต้นในป่าเพาะไปด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปด้วยตรงนี้เนี่ยจัดสรรยังไงคะในส่วนของพื้นที่ที่จะเพาะปลูกเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาจุนเจอือครอบครัวตัวนั้นแล้วปรับเป็นปลูกอะไรคะตอนนั้นค่ะอ๋อตอนนั้นที่จัดสรรตอนสตาร์ทเลยอะค่ะคืออิ่มตั้งเป้าหมายว่า ต้นไม้ชนิดไหนที่เราไม่เคยคุ้นหูอ่ะเราจะต้องพอเพาะเมล็ดหรือว่าเปลี่ยนถ้ามันปักช่ำได้ก็ปักช่ำเพาะได้ก็เพาะค่ะแล้วก็ <Okay. S 2> ถ้าพืชอะไรบ้างที่เราทําแบบเกษตรปณาไม้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วมันให้รายได้กับครอบครัวได้แล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศสภาพพื้นที่ที่บ้านอิ่มอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็เลยเออตอนเริ่ ม, พมเพาะเมล็ดได้ ประมาณปีหนึ่งก็ได้มาเห็นพี่ๆที่เขาปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็แบ่งพื้นที่จะใช้พื้นที่นิดนึง ทดลองปลูกสตรอเบอรี่ประมาณ2องสาันไร่โดยมีพี่ๆในกรุงเทพเนี่ยค่ะที่เป็นคนสนับสนุนข้อมูลแล้วก็พอได้ทดลองปลูกปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็รู้ว่าพ่อกับแม่ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เพื่อนเพื่อี่ๆที่อยู่กรุงเทพอคะค่ะก็เป็นลูกค้าที่ที่ดีที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับ ส, น, น, ส น, นุอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงค่ะ <c oughs> พื้นที่ที่เป็นไร่ข้าวโพดของเราอะแต่เด จํานวนกี่ไร่คะคุณอิม่มแล้วก็ปรับมาเป็นสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยไหมหรือกันไว้ส่วนหนึ่งคะ่ะอ๋อจริงๆเราพื้นที่ประมาณห้าสิบกว่าไร่ค่ะที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะปลูกพืชผสมผสานาทั้งหมดเลยเราจะไม่ให้เป็นภูเขาขหวาัวโลนเขาโพดอีกต่อไปอะไรอย่างนี้ย ค, ะค่ะแต่ว่าแต่ตอนที่ปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยจากที่ทดลองสามพันไหลก็มีพี่มิเชียนที่กรุงเทพค่ะก็บอกว่าอยากจะ อยากจะให้ขยายแล้วพี่ๆก็ช่วยกันเรื่องข้อมูลเรื่องอหลายๆอย่างอะคะ่ะแล้วก็เลยวางแผนปลูกสตรอเบอรี่เกือบหนึ่งไร่แล้วก็พอเราทำแบบปลอดสารใช้น้ำหมักใช้ปุ๋ยชีวาภาพใช้ปุ๋ยหมักนะคะแล้วปรากฏว่าสตรอเบอรี่หนึ่งไร่นั้นนะคะมันสามารถทดแทนการทำไร่ข้าวโพดห้าสิบไร่ของพ่อกับแม่ได้ก็คือมันอยู่ได้ จากที่เค ย, ยปลูกข้าวโพดทั้งพื้นเลยเนี่ย50ไร่พอมาเป็นสตรอเบอรี่แค่ประมาณไร่หนึ่งเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอโหเหลือมากมายแต่ก็สามารถาใช้ชีวิตช่วงที่เราไม่มีรายรับที่เป็นเงินก้อนแบบกเกษตรเชิงเดี่ยวได้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีปรับไม่ใช่แบบทั้งภูเขาเราเลิกปลูกข้าวโพดไปเลยแต่เราใช้วิธีปรับว่าให้เริ่มมีต้นไม้ผสมมสารมาแล้วพอเราเริ่มมีต้นไม้ผสมมสารมาแล้วเราปลูกพืชที่เป็นเกษตรปานี้นะคะคมันลดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่เราเริ่มเริ่มปลูกได้หลากหลายเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเก็บใส่หม้อกแกงใส อเก็บมากินใช้ในชีวิตประจําวันนะคะมันเริ่มมีมาที่มันแตกต่างจากตอนที่ใช้เคมีร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่มีอะไรที่จะเอาเข้าหม้อแกงได้เลยตอนนั้นคือรององเท้าก็ถอดไม่ได้ด้วยใช่ค่ะรองเท้าก็แม้แต่รองเท้าก็ถอดไม่ได้ตอนนี้คือเริ่มมีอะไรที่เก็บกินเองได้แล้วไม่ต้องซื้อนะคะใช่ตอนนี้คือใช้เวลาอยู่นานไหมคะในการที่เราเริ่มต้นจากที่ไร่ของเราก่อนนานไหมคะกว่ากว่าอต้องการที่จะ นำแนวความคิดนี้ไปถึงเพื่อนบ้านในชุมชนที่เราอยู่นานไหมคะอือก็ประมาณปีห้าสี่ถึงปีห้าหกค่ะปีห้าหกก็พ่อชวนลุงป้าในชุมชนได้ประมาณห้าครอบครัว<ม>ที่จะมาปลูกาสมผสานเหมือนรวมตัวมากับเราห้าครอบครัวนะคะใช่ค่ ะ, คะ <laughs> ประมาณว่ายอมรับไอเดียยอมรับแนวคิดแล้วเริ่มดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ จากนั้นจากวันที่เริ่มต้นมาจากห้าครอบครัวมาเป็นกี่ครอบครัวคะพอเห็นผลแล้วเริ่มเห็นผลแล้วไม่ต้องซื้อเคมีไม่ต้องเป็นหนี้เขารองเท้าเดินใส่ได้เก็บผักไว้ริมรั้วเนี่ยเอามากินได้เนี่ยคะ่ะก็จากห้าครอบครัวก็เป็นโชคดีของราชดรในพื้นที่อาเภอนาแห้วด้วยค่ะพี่เพราะว่าในช่วงปีห้าเจ็ดคสมเด็จสมเด็จพระเทพพลาชันได้สเสด็จ ที่ส่วนลองเลยแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วก็มีรับสั่งพระราชทานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ค่ะให้รัชฎอรในพื้นที่น้อมนำพระราชดำริในการปลูกพืชผสมผสานปลูกพืชสีชั้นเรือนยอดโดยเรียนแบบเรียนแบบป่าธรรมชาติแต่ว่าเราเป็นคนเลือก ต้นไม้ที่เหมาะกับแต่ละครอบครัวค่ะเข้าไปปลูกในที่ทำกินตัวเองแล้วก็พอต้นไม้โตก็ให้คนอยู่กับป่าได้มีรายได้แล้วก็อยู่กับป่าได้ยั่งยืนอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเหมือนเราได้รับพรกันท่วนหน้าเลยก็เลยทำให้มีสมาชิกร่วมโครงการในในปี57จนั้น119เข้าครอบครัวขยายแบบแโตแบบยิ่งกว่าร0 0เซอีกนะคะ ใช่ค่ะเพราะว่ามีลุงป้าที่อยู่ชุมชนรอบๆที่ได้ยินว่าจะมีโครงการพระราชดำริแล้วก็ได้รับพรในวันนั้นรู้สึกว่าอยากจะทําสร้างป่าสไร้างรายได้ตามที่พระองค์ท่านมีรับสั่งค่ะแล้วก็ผ่านไปไม่นานค่ะไม่ถึงครึ่งปีก็มีสมาชิกร่วมโครงการพันกว่าครอบครัวเลยจากหค่ะจากห้าครอบครัวมาเป็นร้อยครอบครัวภายในปีเดียวเป็นพันครอบครัว ะะ<ช>พอเป็น<ช>พันอเป็ น, พ, นพันครอบครัวอยากจะให้คุณอิ่มลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าป่าสี่ชั้นเรือนยอดเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เข้าข้าวว่าสี่ชั้นเรือนยอดเนี่ยมันหมายถึงอะไรยังไงบ้างค่ะ สี่ชั้นเรือนยอดที่สมาชิกร่วมโครงการสร้างป่าสร้างไรได้น้อมนําพระราชดำริอะค่ะก็คือเหมือนให้ปลูกพืชผสมผสานกันทั้งไม้ป่าและไม้ผลค่ะแล้วก็ไม้เรือนยอดชั้นบนก็อาจจะเป็นไม้ป่าหรือว่าไม้ผลที่เป็นต้นโตโ ต, โตที่จะเป็นที่เลี้ยงคนอื่นได้อะค่ะแล้วก็ สําหรับเรือนยอดชั้นถัดมาก็จะเป็นพวกไม้ผลที่เป็นไม้ทรงพุ่มระดับมะม่วงเป็นพร้บเป็นอะโวคาโดพวกเนี้ยค่ะแล้วก็เรือนยอดชั้นถัดมาก็คือเป็นไม้พุ่มที่อยู่อยู่ใต้ร่มเงาไม้อื่นๆได้ดีก็อย่างเช่นกาแฟอาราบิก้า<ม>เป็นพวกสมนุนไพรพืชสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรือนยอดชั้นชั้นล่างสุดเลยก็เป็น พืชตระกูลสมุนไพรเป็นไม้หัวที่เราจะใช้นในครัวเรือนแล้วก็อยู่ในดินอยู่ในร่มเงาได้ประมาณเนี้ยค่ะก็จะเป็นป่าที่ที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาได้แล้วก็ลดการกระทบหน้าดินของเม็ดฝนป้องกันดินสไลด์ป้องกันหลายๆเรื่องที่จะตามมาในอนาคตค่ะแล้วที่สำคัญคือก็ช่วยกระจายความเสี่ยงมีคือ ไม่ต้องประสบกับสภาวะราคาตกต่าของผลผลิตอะไรพวกนี้ด้วยค่ะถึงตกต่ำตัวเองก็มีกินอยู่ที่บ้านนะคะคือตตคือเปลี่ยนอย่างนึงก็จะได้อย่างนึงอ๋อจะก็จะถูกันไม่ไม่มีความเสี่ยงนะคะความความเสี่ยงน้อยลงนะคะ <c oughs> ก็คือวิธีคิดจากเดิมเนี่ย <c oughs> คนพอเข้าไปอยู่ในป่าก็จะทำป่าให้ให้คนอยู่ได้คนอยู่ได้ด้วยการทำพืชเชิงเดี่ยวแต่วันนี้เปลี่ยนวิธีคิดคือพอคนเข้าไปอยู่ในป่าแต่ป่านั้นกินได้ทั้งหมด ถูกต้องไหมคะนั่นคืออยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบเกื้อนหนุนกันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องแบบแพลวถางทำให้กลายเป็นพืชเชิงเดี่ยวมีรายได้รับปีละครั้งหรือสองครั้งแต่ว่ามีรายจ่ายตลอดทั้งปีใช่ไหมคะ ออเป็นอารมณ์ประมาณว่าคนเกิดในพื้นที่ที่รายล้อมด้วยป่าแล้วก็ทำพืชหมุนเวียนมาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะแล้วก็พอมาเป็นผสมผสานเนี่ยกลายเป็นคนที่ที่เราเกิดในในพืชหมุนเวียนนะคะเราช่วยกันสร้างป่าขึ้นมา แล้วก็มีผลผลิตที่อนาคตเราจะอยู่ในป่าด้วยกันไปได้ตลอ ด, ดนะคะใช่ค่ะท่านี้พอพอมันเกิดเป็นพันครอบครัวขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมีการทำงานอย่างไรเพื่อที่จะทำให้กลุ่มของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็มีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนในการที่จะทำให้มันสําเร็จได้คะคุณอิมออในช่วงปีห้าเจ็ดนั้นนะคะอิมก็ตัดสินใจออกจากงานแล้วก็กับ กลับมาอยู่บ้านที่เลยหา<ไ>แล้วก็ มามาเหมือนสนับสนุนติดตามแล้วก็ประสานงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้<ม>แล้วก<ม>็ในการสร้างป่าที่ที่บ้านที่อําเภอที่จังหวัดของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ <Okay. S 2> เอาประสบการณ์ของครอบครัวเราครอบครัวเล็กๆเกนี้ยค่ะ <Okay. S 2> ที่เคยเปลี่ยนภูเขาหัวโลน้นแล้วให้เป็นภูเขาต้นไม้ที่กําลังเขียวเป็นหย่อมเป็นหยอ่ยอมอยู่ทั้งภูเขาอะค่ะ <Okay. S 2> เอาไปแบ่งปันประสบการณ์กันแล้วก็เอาโมเดลที่เราเคยเพาะเมล<ม>็ดพันห้าตารางเมตร ห้องเช่าชเอาไปแบ่งปันให้ลุงป้าน ะ, ะในชุมชนว่าเราทำธนาคารพันพืชชุมชนไหมเราเพาะกล้ามาเพาะกล้าต้นไม้ด้วยกันเราชำกิ่งต้นไม้ด้วยกันแล้วเราก็แบ่งกันไปปลูกในแปลงของสมาชิกแต่ละคนเพื่อเราจะได้รู้ว่านิสัยของต้นไม้แต่ละอย่างที่เราจะปลูกเป็นแบบไหนเราต้องการปลูกอะไรเราก็เลือกอันนั้นมาเพาะแล้วก็ เราจะมีปริมาณก้าไม้เพียงพอที่จะปลูกในแปลงของแต่ละคนแล้วมันคุ้มค่าที่จะแบ่งงานจากงานเชิงเดี่ยวของตัวเองมาแบ่งเวลามาดูแลกระจายกันช่วยเหลือกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าย้อนให้คุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงว่าป เ, เปิดพื้นที่5ตารางเมตรหลังห้องเช่าแล้วให้ฟังนิดนึงว่าคือจริงๆแล้วมันคือการที่ตอนนั้นคุณอิ่มยังทางานประจาแล้วได้มล็ด มเมล็ดพันธุ์ไม้ป่ามาแต่ไม่รู้จะเพาะตรงไหนก็เพาะหลังห้องเช่าตัวเองพอเป็นต้นกล้าแล้วก็ส่งมาให้คุณพ่อปลูกที่จังหวัดเลยนะคะ<ช>คือมันใช้พื้นที่ไม่ได้ใหญ่เลยใช่ไมค่ะค่ ะ, คะพอพ อ, พอเป็นธนาคารต้นไม้ของชุมชนทุกแปลงที่มาร่วมมือกับเราเนี่ยเขาก็จะมีต้นไม้ที่จะไปแจกจ่ายแล้วใช้กันในในพื้นที่ของเขาด้วยใช่ไหมคะคุณหนิม ใช่ค่ะก็คือพอพอลุงป้านะ้าอาน้อมนําพระดําหลิสร้างป่าสร้างไมรได้ไปทําในแปลงกเกษตรของตัวเองนะคะทีนี้เราก็ต้องปลูกต้นไม้ป่ากันด้วยตอนแรกก็มีแอบเหมือนกันนะคะที่ลุงป้าบอกว่าน้องอิมม๋มมาชวนปลูกต้นไม้ป่าเดี๋ยวลุงก็โดนยึดที่มันจะเป็นป่าจบบุญเราไม่มีเอกสารติดธิตัวโนู่นนี่เยอะแยะมีเหมืนผลต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ พออาจารย์สวัยแสงสว่างนะตอนนั้นท่านเป็นประธานธนาคารต้นไม้ของทกสค่ะแล้วก็มีพี่ป้อมยางนาจากนาครพนมมาเยี่ยมแล้วก็มาบรรยายให้ความรู้เรื่องธนาคารต้นไม้ที่อำเภอไนเฮลค่ะก็เลยพอได้ได้ไปสึกษาเรื่องธนาคารต้นไม้นะคะมันต้องมีการ ไปจับพิกัดต้นไม้นะตำแหน่งของแปลงสมาชิกแต่ละคนแล้วก็บันทึกว่าต้นนี้อายุกี่ปีหนึ่งปีสองปีเป็นไม้ชนิดไหนชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการระบุข้อมูลว่าคนไหนเป็นคนปลูกไอ้ต้นไม้ต้นนี้อยู่ในแปลงใครอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เหมือนสมาชิกแบบมั่นใจรู้สึก เต็มใจมากขึ้นที่จะปลูกต้นไม้ป่ารู้สึกไม่กลัวอะไรแล้วเพราะยังไงเราปลูกเราก็มีหลักฐานยืนยันว่าเราเป็นคนปลูกก็คือคนก็เห็นเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ เขาเองก็มีความเป็นเจ้าของอยู่ในนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเออพอปลูกแล้วก็คือจะโดนออยึดไปหรือกลายเป็นเป็นพื้นที่ของอุทยานไปใช่ไหมคะทะนี้พอถึงวันนี้เกือบ10ปีแล้วตั้งแต่ที่เริ่มต้นทำไม้ผสมผสานที่ปลูกไปในจำนวนพันครอบครัวที่มาร่วมไม้ร่วมมือกับเราเนี่ยคะ่ะมันมันเป็นยังไงบ้างมันเติบโตเป็นอย่างไรแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยคะ่ะวันนี้เขามีรายได้จากอะไรบ้างที่เขาเองนั้น สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความมั่นมั่นคงยั่งยืนได้นะคะคุณอิมก็สมาชิกที่มาร่วมมาหาจริ ง, รงๆแล้วพันพันกว่าครอบครัวไม่ใช่ว่า1้อยเปอร์เซ็นเราประสบความสำเร็จหมดบางครอบครัวก็จะประสบปัญหาหลายๆอย่างที่ทำให้ตอนนี้ต้นไม้ยังไม่โตหรือว่าอาจจะปลูกต้นไม้ยังไม่เยอะอแต่ว่า ก็มีหลายครอบครัวมากที่พอน้องนําพระราชดำริแล้วก็เป็นสวนผสมผสานได้บางสวน 5, 10, ห้าไร่สิบไร่หรือว่าบางครอบครัวก็ครึ่งหนึ่งของที่ทํำกินหรือบางครอบครัวก็แบบว่าแช้นเต็มร้อยไปเลยทําสวนผสมผสานหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอช่วงประมาณปีหกศูนนะคะสมาชิกเริ่มมีผลผลิตกาแฟอาราบิก้าค่ะแล้วก็อ่าเริ่มเห็นผลผลิตแมคคาเดเมียของคุณลุงคุณป้า หลายๆ ห, หมู่บ้านหลายๆชุมชนที่ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกันนะคะก็เห็นว่ามีผลผลิตอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วค่ะแล้วก็เออเลย เลยรับซื้อผลผลิตของลุงป้าแล้วเราก็มาตั้งถุงวิสาหกิจชุมชนลงเลยแล้วก็ชวนลุงป้านาะอามาแปลรูปผลผลิตที่มีในแปลงอะคะ่ะก็อย่างกาแฟแล้วก็รับซื้อผลผลิตแล้วเราแยกเป็นรายแปลงของลายคนเลยค่ะว่าอันนี้ของคุณลุงคุณป้า A B C D อย่างเงี้ยค่ ะ, ะแล้วก็ เราผ่านการโปรเูสแล้วก็เก็บไว้ปีหนึ่งพอเราเอาออกมาคัดกาแฟสารอย่างเงี้ยค่ะเราจะบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดว่าของคุณลงุงคุณป้าแต่ละท่านเนี่ยมีปัญหาตรงไหนแล้วต้องไปเติมต้นไม้อะไรบ้างต้องลดใช้สารเคมีแบบไหนต้องเลิกสารเคมีมได้แล้วยังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการมีการพบมีการพบปะอบรมให้ความรู้กันเรื่อยๆเสมอแล้วก็พัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนา ผลผลิตตั้งแต่ที่แปลงของแต่ละคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็รับสมัครสมาชิกที่จะผลิตผลผลิตเพิ่มเติมให้กันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเสียดายเวลาน้อยเหลือเกินคุณอิมนี่แป๊บเดียวเลยนะคะแป๊บเดียวเลย <c oughs> คือตอนนี้คื อ, อผลผลิตที่ได้จากการร่วมมือกันทาเนี่ยก็มีการนำมาแปลรูปแล้วตอนนี้สินค้าของเร า, เาสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ไหนาวางวางขายที่ไหนนะคะ อ๋อไดอ้สินค้าของเราก็จะมีกาแฟกาแฟดริปกาแฟควบกาแฟคว่าร้อยเปอร์เซนอาราบิก้าของลองเลยค่ะแล้วก็จะมีแมคคาเดเมียลองเลยหาซื้อได้อ่อถ้าตอนนี้ก็จะมีในเพจลองเลยเว็บเบอร์ไวเว็บลองเลยเดออมแล้วก็อลาซาดา้าช้อปปี้ก็มีค่ะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้หรือว่า จะแอดเข้าไปสั่งในเพจก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเจอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลองเลยที่ไหนหรือเห็นผลิตภัณฑ์ของเราที่ไหนที่พี่น้องเครือข่ายเรารับไปจำหน่ายให้อ่ะค่ะ <c oughs> ก็เราควาช่วยอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กลุ่มเรา<ห>ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณอิ่มคะเสียดายเวลาน้อยจริงๆนะคะแต่มีเรื่องที่แบบโอ้โหอยากจะจะเล่าสู่กันฟังหลายเรื่องยังไงก็เดี๋ยวมีโอกาสยังไงเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมนะคะคุณอิ่มคะ ไดค่ะยินดีมากมค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนที่เริ่มจากเด็กตัวเล็กๆแต่มีฝันใหญ่ที่อยากจะเปลี่ยนภูเขาหัวโล้นให้เป็นพื้นที่ป่านะคะเป็นวิสาหกิจชุมชน ลองเลยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ชุมชนแล้วก็สร้างแนวร่วมในการที่จะลดการใช้สารเคมีแล้วก็พยายามที่จะเป็นพื้นที่กเกษตรอินทรีย์เต็มร้อยนะคะวันนี้เป็นเรื่องเป็นดาวได้แค่หนึ่งเรื่องเองค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาสัปดาห์หน้านะคะมาฟังกันต่อว่าเรื่องดีๆที่หยิบมาฝากกันนั้นเป็นเรื่องอะไรสาหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ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 t e 1 e o'clock, 12 o'clock, rock. We're g o i n g to rock around the clock tonight. Put your b a d rags on, join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around. Eight, nine, v e n two. How we going, s t r u t